กรู iner, galaxies, user, uh, yes, ้ส uh. ึกว่าันนี้จิตก็มาสงบน่อแต่เห็นโมฆะที่กำงเป็นกลางอยู่อืมยิตมีแต่เป็นกลางไ้มเป็นโมฆะถ้ารู้อย่างที่มันเป็นถ้าไม่เป็นกลางแล้วก็เป็นกลางกับความไม่เป็นกลางรู้สภาวะทั้งหลายด้วยใจที่เป็นกลางรู้มันด้วยเลย ใจวันไหวยินดียิร้ายขึ้นมาก็โน้มน้านที่สุดสภาวะอะไรก็เสมอภาคกันหมดสุดทุกปีช่วงเสมอภาคกันถ้ใจไม่ดิ้นเป็นกางแล้วมันไม่ที่ร่ไม่หิวโหวยมีความสงบสุขเขาเรียนรู้ทุกสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตตั้งแต่ผ่านไปผ่านมามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปปัญญามันก็แจ้งขึ้นเป็นลาดับสุดก็าวางนะ้ เห็นไหมทุกอย่างที่ผ่านมาก็ชโชคราวร่างกายจิตใจนี้ก็เป็นของโชครา ว, วก็เห็นจิตใจโชคราวด้วยเกิดดับเกิดดับเกิดดับเร่างกายก็โชคราวร่างกายตุ่ความทุกข์กิบอันมั้งวันทั้งคือจิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เห็นจิตใจเป็นจจกลางกลางกับท่าแต่ขันทุกประวาน ไม่ได้มีอะไรมากคว่าที่ที่เห็นที่ายที่ตาคือมันเป็นแค่ความชิลลรูปแบบอดกตงที่เห็นถน้ว่ามันจะยเป็นัอรูปนตามารดะมันจะเป็นเห่นี้าเป็นอย่างนี้แต่ทั้งรูปนาม ของาละหันก็เกิดดับนะดับไปอยงนี้ไม่ใช่ว่าจะเปฝึกให้มันเหนือธรรมดาฝึกฝึกจนเห็นเป็นธรรมดาแรงๆก็ธรรมดาหมดแล้วแต่ก็นที่ไม่ดิ้นไม่ดิ้นหมใจมนไปคิดต่ว่านี่ก็เหนือธรรมดานี่เหนือธรรมดาก็ดิ้นือด้วยนะจูดูจูดจิตมันตั้งนั่แต่เขามีรร รือเดินกระทคอยรู้ที่ยาแล้วสวยดีกว่าก่อนก็อยากทติดขนาดนี้ปรุงแต่งอะไรรู้ออกไหมแต่เป็นปูุงสร้างรู้ไหมใชหมเขาอยู่กับบ้านกันไมปอน่างัดส่งิไปได้แล้วเาอ้อยตรงกันบ อ๋อเหนือํำพูดนี่ของจริงนิ่งเป็นใบทไมพูดไม่อันหกัน้ากทีเาไมเยแนมัน่ได้เพอก็นอะไรให้มั้างแดงเลิเน่จากไหนมาม เห็นกิเลสไหมมาอยู่บ้านเห็นกิเลสเกิดบ่อยไหมโอ้ดีเลูกปิดหลวงพ่อนะเรียนครั้งที่หนึ่งแลมาครั้งที่สองยังต้องถามเห็นกิเลสหรือยังถ้าเห็นกิเลสมันใช้ได้มีทั้งวันเลยรู้สึกไหมเราร้ายกว่าที่เราปิดปิดไหมมีน่าเชื่อว่ามันจะได้ขนาดนี้เนาะดีแล้ว คือคนทั้งหลายนะมันพัฒนาไม่ได้เพามันคิดว่ามันดีแล้วันคิดเข้าข้างตัวเองว่าเราดีแล้วเราดีแล้ ว, ลวมันไม่พัฒนามองไม่เห็นจุดอ่อนของตัวเองเรามาหัดเจริญสติเจริญปัญญาเรียร น, น ร, ยรู้เราเร็ ย, ร ย, ร ย, ไรย น, นได้จุดอ่อนเราเยอะกิเลสเราเยอะเรีนรู้ไปด้วยมันก็พ้นได้ในขณะที่คนที่มองไม่ออกก็คิด ว, ว่าเราดีเราดีทุกวันก็เพิ่มขูนกิเลสเข้าไปเรื่อยๆ เต่จะเห็นนามีกิเลสทีไรก็มีความทุกข์ทุกข์กินรู้สึกบ้างเงียกเลมาทีไรก็ทุกข์ทุกข์ดูไปไม่นี่เคยมา้นี่จะเป็นกิเลสบ้างได้ม้ากี่หน่ะวันกิเลสได้กี่ครเอช่ไเออยิ่งเยอะยิ่งดีนะ อันนี้ใจไม่ตั้งมั่นนะใจไม่ตั้งมั่นก็ค่รู้กไปดีนะที่เห็นนะที่เราจะเรียนรู้สิ่งซึ่งมันเป็นข้อผิดพลาดของเราเอางสิ่งผิดพลาดมีสองงานเอ๋อตามกิเลสไปกับเพ่งน้อยมาคับไว้คนที่ไม่ค่อยได้สึกเรียบเอ๋ อ, อไปเรื่อยเรื่อยพวก ท, ที่ชบขอบสึกก็เพ่งเรื่อยเรื่ย จะสุดต ร, รงศิลปะให้เราเรียนรู้จุดอ่อนตัวเอเงในที่สุดใจเราไม่เผลอไม่ทิ้งรู้ทุกอย่างตามที่เขาเป็นเราจะรู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นจนกระทั่งรู้ความจริงแล้วปล่อยวางดีแนละเรียนรู้สิ่งที่ผิดไม่ต้องหาทางทําให้ถูกนะหลายคนมาเรียนกรรมฐานกับหลวงพอแล้วก็ไปคิดเรื่อยๆทํายัางไงไปถูกทํ า, างไงจะรู้ได้ถูก แต่แต่ที่ยังคิดว่าจะทํำยังไงให้รู้ถูกเไม่มีวันถูกเลยต้องยังคิดจะทําแต่ถ้าใจมันหลงผิดไปซึ่งมันหลงไปคิดนึกรูปแต่งสร้างกิเลสขึ้นมารู้ทำอย่างนี้ถูกแหละแต่ไปเพ่มรู้ว่าไปเพิ่มอย่างนี้ถูก เ, เ, เ, เ, เดี๋ยวมันถูกเองถ้ากีละดีละดีละดูไปอย่าไปเกลียดมันนะ เออตาตุ่มคนแม่รู้สิโ น, น้ต่อดีย น, น, นี้เก่งยังไงกิเลสแต่ละคนนด้กิเลสนานานชนิดเลยเนอไม่มีใครมาบรรยายให้ฟังรูกตัเลยน่ามันรูน้จิตสงบเงียบเงียบมาสามวันสามคืนสว่างของไสเห็นโน่นเห็นนี่ น, นะนถ้าเห็นโน่นเห็นนี่โดนจวงแล้วดีนะจิ๋วถ้าริน จิตเลยมีกาลังมากขึ้นแล้วดรือเปลมต้องับอะไรไม่ปรับนะาวอย่างเงี้ยก็ไปรู้ไปดูแต่มีแรงมากขึ้นมกขึกนช่วงที่หายไปนาจิตไม่มีเรื่องมีแรงนะก็แค่เราไม่ชินคีมามอนว่ะามจิตัง่ ออได้เลยมายาของกิเ0สิวงกัเจ้าอ่้ามตอ่านรอ่อเออไม่เห็นกรตั้ง่เไม่เห็นอะไรเลยนะาตั้งหตอไหนตั้งงอนี่เปรียบทยริงจั้งนึงมยางดูไปเรืยนะจนสุดท้ายเห็นจะดับดับๆ มัเกิดว่จิตก็ไม่ค่อยสนใจเห็นแต่ดับมันไม่ตั้งนานมันตั้งได้ชัว่วสลับอยู่ลอดคือจิตเนี่ย น, น, นะมันทํางานหนึ่งดวงเนี่ยทํางานสามจังหวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแต่สามจังหวะ น, นี้เกิดในเวลาที่สั้นมากแวบบเดียวให้เราก็ิรู้สึกได้แค่ว่ามีสิ่งบางสิ่งไหวขึ้น ม, มาแป๊แล้วก็ดับ เส็จแล้วก็ดับไปเลยอ่านอาสมถะนข้นข้นขึ้นขนะนึ้นขึ้สมึสม้นขึ้นขึ้นขึินขอ้นขา้นขะ ม, ม้นขนข้นข้นขึ้นขึ้นข้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น้นขึ้นขึมนนขึ้นข้นขึ้ขึ้นนสึขนนนขน ดีนะมันเอาความชั่วมาหลอกเราไม่ได้มันก็เอาปีติเอาสุขมาหลอกอย่างพอเรามีปีติแล้วก็เดินทั้งวันทั้งคืนจะมีแต่ความสุขลว้ลวนๆมันเพลิดเพลินพอใจมันหลงมันติดแล้วก็รู้ทันอย่าไปวัวเสียเวลาพักผ่อนให้จิตใจมีความสุขความสงบพอสมควรแล้วฟิกจิตออกมาเจริญปัญญายมาดูเกิ ด, ดอย่าขิดเขยดที่กล้ามนะ จะพ้นได้จริงๆก็ตรงที่เห็นมันเกิดดับนั่นะไม่พ้นตรงที่มีจิติลอยๆเบาๆสบายมันมีความคิดเยอะยิ่สีสขนมนหั่ากแล้วก็ในบางขณะที่เหเีที่เกิดขึ้นว่าสิที่เขา็นอย่างนี้ดีใจมันตื่นด้เต็มที่หรืปหตรงนี้แต่ไม่ตั้งมัน่น เราไหลตามมานไปนิดนึงเป็เคลื่อนรบบนิดนึดูออกไหมเยอะขนาดจิตเนี่ยขนาดเนี้ยแต่ยังไม่ตั้งมั่นเห็นไหมเป็นอย่นี้ใช้ได้วิไววิว่าไม่นี่ทรงไปก็ลืมไปเลยแต่เป็นไหลเยอะขนาดนใจมันไม่ถึงฐานดูออกไหมตั้งไม่ถึงฐานมันมให้รู้เฉย จต่กระจายออกนอกก็รู้ว่าแจ่กระจายเวลาภาวนาอู่เนี่จะอยู่ที่บานหอไม่ค่หลายหยที่สัคนั้ที่มันคือผูที่ชยเล่ดแล้วก็ไม่ไปอยู่รวังวนะลานจอเนี่ยที่ัลยไม่ตองรู้ทันตรงที่มันจะไปเลยตัวที่ใจไหลเท่าช่องนั้นลองทเลย ทเลยได้ไหมไหลก็ช่งนั้นได้ไหม้เ็่งอ่านว้กเเลยเออลยก็ได้เลิลยถ้าเราเข้าไปอยู่กับความว่างพักผ่อนพอสมควรล้าก็เริมแล้วมีความติดติดแต่มีน้องมาหาตรงนี้ด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรสังสารวัตทั้งยาวพระพุทธเจ้ามีอีกหลายองค์ เรามีความสุขเไม่ได้ชั่วร้ายอะไรเลยเขไม่ได้ทุกข์ร้อนเดี๋ยวถ้าเรายังไม่อยากเจอพระพุทธเจ้าอีกต่อไปนล้วไม่อยากให้สารพัดชื่อเกลอออกมามาอยู่แต่โลกข้างนอกลงมาเดินมันเคลื่อนไหวแล้วกระทบอารมณ์ให้รู้ทัน ถ้ารู้ทันจิก็ไม่มีปัญหาแต่รู้ไม่ทันจิตมันจะเคลื่อนเลจิตไม่มีรแรงเคลื่อนเคลื่อนันไหลไปอย่างนี้อารเยอกว่าจิตหลายชาติมีตัวหญ่อเป็นไรไปจิตหลายชาติแล้วที่อีชาติมันจะเป็นไรถ้ารู้มันยังเป็นกลางนกะ้าไม่มีปัญหาเลยแต่อย่าปล <c oughs> ยออกมาเลย้าเสียเวลาออกมากระตบอารมณ์ขงนอก อารมณ์มดมีความสุขเรารู้ว่าโสดีนะเมื่อันที่เหน่อยไปหาหลกงปเทศหลวงปลตนเท้าเข้าไปหาท่านนะท่านก็จะถมนอนหลับสบายไ้ยมีความสุขไหมดีนะเลื่อนมาบ้านบ่อย ก็ภาพจิตจะได้ดีหลวงปู่เทศนะใครดีนุ่มนวนใครยังไงนะท่านไม่ว่านะท่านมีแต่ประคับประทองทุกคนเหมือนเปนหมดเลยประทองอย่างดีเลยนุ่มนวนที่สุดคนไหนภาวนาท่านก็ถามไปภาวนาดีไหมคนไหนไม่ภาวนานะท่านก็ไม่ให้เสียน้ําใจนะถามว่า ก, กับข้าวอร่อยไหมมาอยู่วัดกินข้าวลงหรือเปล่า นอนหลับไหมคือดีนุ่มนวลนคือหลับมากมานะต้อจะมีบางคนเห็นบังคืนเห็นท่านชายชกระตรูดูเรื่อยๆดูว่วาใครภาวนาไหมจริงๆก็คือท่านก็สอนแต่แต่ว่าท่านนุ่มนวลท่านไม่ทำให้ใครเสียหิ้นใจท่านยังไปสอนด้วยซ้ำไปว่าคนภาวนานะเขาอยากดีอยากจะได้ดี แ้ก็ภาวนาแล้วดีขึ้นนิดหน่อยอะไนี้ให้ชมไว้บ้างก็จะได้มีกำลังใจท <c oughs> <c oughs> ี่หนุย่ยต่อนนี้ไปถามไปหาท่านทีไรนะท่านจะถามว่มาไปเรียนอะไรอีกละ่ะท่านรู้ว่าคนนี้ถือว่าการศึกษาต้องทำตลอดชีวิต <c oughs> แค่เรื่องเรียนตลอดชีวิตเลยเการศึกษาตลอดชีวิต มีอ er ุดมกติแล้วเมื่อไหร่ถึงนะภาวนาใจ้กจะเปลี่ยนเลยยอมภาวนาคงไว้หมดนะเขาเรียนไปเรื่อยแล้วใจคุณไปเรื่อยอ้าวยอมยังไงคือฝากใครช่วยทูที่อาจารย์ฝากเมื่วา บอกว่าแผลที่ตัวเองคือการทำที่ะคือเวลาเราจะเจริญเมตตาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทําสมถะกรรมฐานทำสมถะกรรมฐานเจริญ เ, เมตตาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือใช้แก้ปุสาให้ข่มโุสาของตัวเองอย่างหนึ่งนะอีกการหนึ่งพอเจริญเมตตาแล้วมันไม่เป็นที่เป็นใจกับคนอื่นกัสัตว์อื่น มันก็ได้ผูกมิตรกับเขาเพราะนวัตถุประสงค์มันไม่ใช่แค่ แ, คแห่งเมตตาเพื่อผูกมิตรวัตถุประสงค์สําคัญเลยคือทําสมาธิให้ใจสงบตั้งมั่นวิในใจัยของเราที่มันไม่มีความสุขไม่มความสงบเนี่ยสําหรับบางคนแลว้วเพราะว่ามีโทสะม่อยโทสะมันเกิดเนืองเนื่องถ้าเราหันมาดูตัวเองดูจิตดูใจไป เ, เราจะเห็นเลยว่าทุกคราวที่โทสะเกิด น, นะจิต ใ, ใจของเราไม่มีความสุข จิตใจในี้น่าสงสารจิตใจเล้าร้อนผู้หล่นผู้รายให้หันมารักตัวเองซะหน่อยคนที่มีความโกรธมากๆเนี่ยไม่รักตัวเองนะทําร้ายตัวเองมากเพราะว่าทันทีที่ความโกรธเป็ดขึ้นเนี่าทำร้ายตัวเองก่อนแล้วทาร้ายคนอื่นทีหลังดังนเวลาที่เราหัดทํากรรมฐานเนี่ยจิตใจของเราไม่มีความสงบสุขเล้าร้อนโมโหเะไให้มาดูที่จิตที่ใจของเราให้สงสารมันหน่อย ว่ามันมีความทุกข์นะมันหาความสุขไม่ได้เลยมันร้อนมันทุรนทุรายก็นึกถึงมันในแง่ดีนี่มันเป็นสัตว์ที่กําลังตกทุกข์ได้ยากอยู่ตัวเราเองเนี่ยกําลังตกทุกข์ได้ยากนะอยู่กิเลสอยู่ความโกรธความกำลังมันน่าสงสารมันน่าสมลดใจแต่เดิมเวลาเราโกรธเราจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งแต่ตอนนี้มาดูไปดูมามันไม่ใช่กูเก่งแล้วมันกูน่าสงสาร มันไม่ใช่กูเก่งออกไปแล้วกูงโง่นั่นแหละกูถึงได้โกรธพอเห็นอย่างนี้มันสงสารนะมันมีเมตตา <c oughs> จิตใจมันจะค่ยคยอยๆอ่อนโยนมันเรื่องอะไรมันจะกโกรธให้ฟุ้งหลังถ้ามันเห็นทุ้งเห็นพูดแล้วมันก็เลิกไปเองถ้าจิตใจของเรามีความตกมีความสงบนะคราวนี้เรานึกถึงไปนะเราจะนึกถึงในทางดีของเขาเราจะรู้เลยคนทุกคนมีทั้งข้อดีข้อเสีย ไม่มีใครมีดีโดยส่วนเดียวท่านพุทธทาสบอกมันจะรู้สึกว่าเออกระทั่งเราเองนะบางคราวอย่างิเห่หนึ่งําย่ําแย่คนอื่นเขาก็เหมือนๆกันเลยนันน่าสงการเงหมือนกันมันจะนเริ่มมองคนอื่นเหมือนอย่างเพื่อนร่วมกุ่ไม่ใช่อย่างศัตรูคู่แขแ่งจะความเมตตาจะแผ่ไปติดใจมันจะร่มเย็นนะพอใจของเราร่มเย็นมันตื่งใจนะสักแต่ความร่มเย็นความร่มเย็นออกไปเองเลยไม่ต้องแหนะ ไม่ใช่ส่งพลังออกไปนะส่งพลังออกไปยิ่มซึ่งเปลืองนิ้มหมดแรงค่อยๆทำไปอย่างนี้นะในที่สุดเราเข้าใกล้ใครตัวนั้นก็มีความสุขตัวเราก็มีความสุขถ้าเรามีความสุข ก, ก่อนนะความสุขมันก็จะลน้นมันเหมือนน้าเต็มถ้วยนะล้นออกไปเลยแห่ความเย็นชุนซ่านออกไปรอบๆตัวใครเข้าใกล้ก็มีความสุข ทำไมละ่ะที่จะทาแต่แค่นี้เหรอแค่นี้ไม่พอ e นะอเราต้อมีอาคือแผ่เมตนาใหคนอืครับถ้เราไม่แบบนี้ิตรไม่คนอ่จริงราแล้วเราแผ่เมตตาให้คนอื่นนะมันแผ่ยากเราแผ่ให้สิ่งที่เรารักอย่างเราจะแผ่เมตตาให้สัตู์นี่แผ่ยากนะแผ่ให้มิตรมแตร ง, ง่ายกว่า เรื่องสิ่งใดที่เรารักมากที่สุดเรารักตัวเองที่สุดแห่มเมตตาให้ตัวเองง่ายที่สุดถ้าเรามีความเมตตาสงสารตัวเองเนี่ยเราจะไม่ทําทชั่วแล้วถ้าทําชั่วแล้วมันทําให้ตัวเองเดือดร้อนเรื่องการที่เราใส่ใ่มเมตตาให้ตัวเองไปเรื่อยๆจิตใจก็จะสงบสุขไม่ทําความผิดไม่ทําจิตศีลจิตธรรมเพราะรู้ว่าถ้าทําจิตศีลจิตธรรมไปนะมันจะมีความทุกข นี่เราแฝ่เมตตาเนี่ไม่ใช่แค่ได้แค่สมาธิแฝงไปเรื่อยๆ้วศีลก็ยัอ ง, อยางงดงามขึ้นเรืยต่อไปก็ค่อยๆดูค่อยๆรู้ไปเออนี่ก็สัตว์ตัวหนึ่งนี่ก็สัตว์อีกฝูงหนึ่งเห็นเพื่อนร่วมทุกกันแ้สวสติปัญญากแก่รอบกว่านั้นก็ค่อยดูไปไม่มีสัตว์ไม่มีคนฉะนั้นจะ็นอีกขั้นหนึ่งนะนั่นสมาถึงถามว่าจะเอาแค่นี้หนระืออยากแค่นี้นะ เออมันต้องได้เยอะๆวันนี้นะเอย่างสัที่สุดชาตินี้ต้องเป็นพระโสดาบันไม่ได้เป็น <Okay. S 1> ตาหลวงพ่ไม่ได้ให้พรแล้วก็ไม่ได้ปริยคอนนะ <c oughs> เหลือบางคนพอหลวงพ้อพูดอย่างนี้แนละ้วบอกเนี่ยหลวงพ่อประโมทปิยคอนแนละ้วชาตี้ต้องได้สมสารหลวงพ่อเพียงจะบอกว่าเรา <c oughs> พวกเราอ่ะเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทุกคนมีกายมีใจที่สมบูรณ์เพราะเรามีโอกาสดีเราได้พบพระพุทธศาสนาเราได้เข้าใกล้รได้ฟังธรรมเพรนั้นถ้าหากเราได้เอาธรรมะเข้าสู่จิตใจของเราได้จนจนทั้งเราได้ขั้นต่ำสุดเป็นพระสัาบันไดเราก็จะปลอดภัยนะแต่เดิมเรารเราเรียร่อนอยู่ในวัฏสงสารเหมือนเด็กกำพร้านะร่อนเร่ไปเรื่อยๆไม่มีพ่อไม่มีแม่ โดดเดียวเดียวได้ในสังสารวัฏเหมือนกับมีเพื่อนเยอะมีญาติเยอะมีลูกมีเมียมีมอะไรจริงก็คือตัวคนเดียวนัว่นแหละถึงชาวจะตายก็ตายคนเดียวนะถึงชาวลาบากก็ลําบากใครให้มาทุกข์แทนเราได้ทุกคนไม่มีที่พึ่งแต่พอเรา ศ, ศึกษาธรรมะเราเข้าสูงจิตถึงใจของเราอย่างแท้จริงเราจะรู้สึกเลยเรามีพ่อมีแม่เราไม่ใช่ลูกกาําร้าไม่ใช่เด็กหลงทางอีกต่อไป ถ้าเมื่อไหร่เราได้สดาบันเราจะรู้เลยเราไม่ใช่เด็กหลงทางอีเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่จิตใจมันจะมั่นคงนักกันอยู่ในสาสรวัตรนี้จะอยู่อย่างมั่นคงมากขึ้นวินสดาบันไม่ได้ยากเกินไปที่จะทําได้พวกเราซึ่งมีสติมีปัญญามีความสมบูรณ์ทางกายทางใจขนาดนี้มีศรัทธาอย่างนี้ถ้ามีปัญญามีสติขึ้นมาแล้วก็มันทําได้ ถ้าโสดาบันก็คือคนที่ละความเห็นผิดละกายกับใจคือตัวเราเียืเบื้องต้นละความเห็นผิดได้ว่ามันไม่เห็นไม่มีตัวเราต่อไปความยึดถือในตัวเราในกายในใจก็ลดลงลดลงนะถึงจุดสุดท้ายที่มันรู้าราสันไม่ยึดถือในกายในใจอีกแล้วปลดใจปลดใจให้โลกได้ความทุกข์จะไม่มีขึ้นมาอีกนั่นจุดหมายปลายทางเลยก็คือต้องเป็นสรารัสมันทุกข์ต้องคนทุกข์ให้ได้ หน้าที่หลักของเราในการเดินทางในสังสารวัตรนี้ไม่ใช่หาความสุขความสุขไม่มีจริงสุกขก็ชั่วครั้งชั่วคราวงานหลักของเราในสังสารวัตรนี้ต้องคนสุขให้ได้ต้องถึงนิพพานให้ได้มีแต่ความสุขล้วนๆทำไมจะไม่เอ่ยนี่ก่อนที่จะไปถึงมรรคผลนิพพานปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้ขั้นแรกสุดต้องเห็นตอนกายกับใจไม่ใช่เรานะถ้ายัางเห็นว่าเป็นเรายังปล่อยไม่ได้ฉะนั้นถ้าโสดาบันเห็นกายกับใจไม่ใช่เรา งั้นงานแรกที่พวกเราต้องมุ่งไปสู่ทําให้ได้ทำให้ถึงก็คือเรียนรู้กายเรียนรู้ใจจนวันหนึ่งเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราในความเป็นจริงกายกับใจไม่ใช่ตัวเราตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราสําคัญผิดว่ากายกับใจเป็นเราถ้าเรามารู้กายเนืองเนือรู้ใจเนืองเนืองจนเห็นความจริงของกายของใจ ก็จะรู้เลยกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรามาแต่ไหนแต่ใดแต่เราคล้ายๆเราที่โกเราหน้าด้านนะไปฉกฉวยเอาของโลกมาเป็นของเราอย่างร่างกายเนี่ยใสยวัตถุธาตเกิดขึ้นมาวัตถุชาตินี้มีอยู่ในโลกแต่ไหนแต่ใดแล้วเราไปฉกฉวยเอามาเป็นตัวเราจนว่าเป็นเราเดินมาใส่ชาตุของพ่อของแม่เป็นจุดตั้งต้นเราใส่อาหารหน้ากากเราใช้น้ำํำอะไรอยู่ในโลกนี้ ยืนธาตของโลกมาใช้แต่ว่าสำคัญนั่นหมายว่าเป็นตัวเราคล้ายๆไปยืนเข้ามาใช้แล้วที่ตัวนี่เราไปรู้ไปดูนะรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงนี่แหละเรียกว่าวิปัสนางานของวิปัสนาคือไปรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงว่านึ่งเห็นความเป็นจริงว่ากายนีใน้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราพอเห็นตรงนี้แล้วว่าเรามีคิดทางเอาปลอดภัยแล้ว ท่านเปรียบเทียบนะบอกว่าคนทั่วไปเหมือนคนที่ตกอยู่กลางทะเลไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ไม่มีทางเช่วยทะเลยังไงก็ต้องจมน้ำแพระพุทธเจ้าเหมือนคนอยู่ที่ประสาทาน จ, ทจุดโคมไปให้จุดตะทิพย์แสงสว่างชี้ทิศทางให้เรารู้ว่าชายฝั่งอยู่ทางไหนคนที่รู้ว่าทิศทางหรือชายฝั่งอยู่ที่ไหนที่ไหนะเรียกว่าพระโสดาบันยังลากกิเลสอื่นๆไม่ได้ชัดตัวเดียวเลยนะ ละความเห็นผิดได้แลนวจะรู้ทิศทางแล้วว่าทิศทางก็คือมุ่งไปสู่การละความยึดถือในกายใน ใ, นใจเพราะว่าโอกาสละก็มีก็เห็นความจริงแล้วว่าไม่ใช่ตัวเราถ้าโสดาบานันเหมือนคนที่ตกอยู่กลางทะเลแต่รู้รู้แล้วว่าทิศทางที่จะเข้าฝั่งอยู่ที่ไหนถ้าเศรษฐีตาคาคือคนที่ว่ายน้ําเข้าหาฝั่งใกล้เข้าไปเป็นลําดับลาดับลําดับ ถ้านาขาเนี่ยเป็นคนที่เท้าเนี่ยย่างโดถึง้นชายฝั่งยังอยู่ในน้ํานะแต่เท้าแตะลงที่ชายฝั่งยังถูกคลื่นกระทัดกระทัดกระแทกกระทําหนึ่งจึงโดนกระแทกกระทันแต่ว่าพอรอกแล้วถ้าทหารเป็คนที่ขึ้นบกได้ขึ้นบกได้คือสามารถลากความยึดถือในจิต ใ, นใจในี้ได้ลาได้ก็เห็นความจริง จิตใจนี้เป็นฟุกล้วนล้วนนะถ้าแบบใดเห็นว่าจิตใจนี้ยังฟุกบ้างสุกบ้างจะรักไม่ได้ยังดิดดนะ้นรนนาความทุขไปเรื่อยๆแต่ถ้าปัญญาแก่รอบเห็นขันเป็นฟุกล้วนล้วนถึงจะวางได้พระพุทธเจ้าถึงสอนมาให้รู้ทุกถ้าเมื่อไหร่ว่เห็นว่าขันห้าเป็นทุกก็เรียกว่ามีวิชาละอาวิชาได้อวิชาคือความไม่รู้อริยสัจ ไม่รู้าริยาศาสตร์ข้แรกคือไม่รู้ทุกไม่รู้ว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์เราคิดว่าเป็นตัวดีนะหรือว่าทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าอย่างเห็นอย่างนี้ไม่ละไม่ค่ายความยึดถือเั้นคอยรู้อยู่ที่กายที่ใจการปฏิบัติทีไม่มีเกินกายกับใจนี่ออกไปเรียนรู้การู้ใจตามธรรมดารู้ว่าธรรมดาของกายของใจเป็นยังไงธรรมดาของกายของใจไม่เชี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเรา เรียนให้เห็นความเป็นธรรมดาของกายของใจไม่ใช่ฝุดเพื่อให้เกิดสภาวะเหนือธรรมดานะพวกเรานักปฏิบัติร้อยล่าร้อยนี่พูดซื่อๆนะพูดโง่ๆอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นว่า น, นักปฏิบัติที่มีตัวออกมา ก, ก็นับตัวได้นักนั้นมุ่งเอาดีทั้กดีอยากดอากกีอยากสงบไม่มีใครมุ่งที่จะให้เห็นความจริง ถ้าเห็นความจริงคือเห็นใจเห็นใจเห็นเจยลักไม่มีใครมุ่งตรงนี้มีแต่มุ่งจะหาความสุขความสงบความดีอุสาภาวนาแค่เป็นแค่ตายาหวังว่าวันหนึ่งมันจะดีดีถาวรด้วยเหวัว่วามันจะสุขถาวรเนือดหวังแค่ให้จิตใจดีแต่ความสงบร่มเย็นถาวรทื่เราไปอยากได้สิ่งเหล่านี้ความสุขถาวรความสงบถาวรความดีถาวรไม่มีในโลกนะ ขันห้านี้ไม่เที่ยงขันห้านี้เป็นปุ๊บขันห้านี้ไม่ใช่ตัวตนไม่มีใครไปทําให้มันสุขถาวรสงบถาวรดีถาวรได้ไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันได้อย่างแท้จริงนั้นคนส่วนมากภาวนาแล้วหลุดพ้นจากสังสารวัตรไม่ได้ ก, ก็จะพิ้นิหล่นไปเรื่อยๆล้มลุกลุกคลานไปเรื่อยๆจริงๆแล้วการปฏิบัติไม่ได้มีอะไรยากเลยง่ายสุดๆเลย ร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงไม่ใช่ไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจแต่ ท, น e. ท ira, ight, uh, ันทีที่เราคิดเรื่องปฏิบัติมันจะดัดแปลงกายดัดแปลงใจทันทีเคยหายใจสบายๆก็หายใจให้มันไม่เหมือนธรรมดาเคยเดินสบายๆก็เดินให้มันไม่เหมือนธรรมดาเะกินอยู่หลับนอนนะทาให้มันไม่เหมือนธรรมดาไปหมดเลยจิตใจก็ทาให้มันผิดธรรมดา เช่นจิตใจธรรมดามันไม่เที่ยงมันเคื่อไหวเปลี่ยนแปลงก็ไปเพ่งให้มันนิ่งๆทําให้มันผิดธรรมดาหวังว่าถ้าผิดธรรมดาได้แล้วจะได้ธรรมดาคือธรรมะเป็นไปไม่ได้นะเส้นทางกับปลายทางไม่สมเหตุสมผลเองอยากได้ธรรมะคือความเป็นธรรมดาเข้าใจความเป็นธรรมดาของชีวิตของโลกของกายของใจก็อย่าทําอะไรที่ผิดธรรมดา รู้กายว่าธรรมดาของกายเป็นยังไงรู้ใจและธรรมดาของใจเป็นยังไงรู้จนวางมันวางเองมันเห็นว่าโอ้ธรรมดาเข้าใจไม่มีใครทําให้มันเหนือธรรมดาคือสุขสาวรดีสาวน์สงบสาวรได้วางมันจะวางเองการปฏิบัติจริงๆไม่ได้มีอะไรยากชักนิดเลยท่านมาไห่รู้สึกว่าการปฏิบัติยากให้รู้ทันทีเลยทําผิดแน่นอนผิดแน่นอนทำไมยากก็อยากบังคับมัน บังคับมันแล้วมันบังคับไม่สำเร็จก็เลยรู้สึกยาก